ตอนจิตวิญญาณวันที่31มีนาคม 2,562 นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะพระครูแนะนำเรามาตลอดตอนนี้เด็กๆ เ, เล่นโซเชียลมีเดียนะส่วนมากมีแต่เสิร์ชหาข้อมูลอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับสร้างสรรค์พัฒนามีแต่เพิ่มกิเลสเพิ่มอลรมไปสนุกสนานกับเรื่องที่ไม่ได้สร้างชีวิตนะมันไม่มีสาระอะไร ถ้าจะเล่นเนี่ยก็เสิร์ชหาข้อมูลแบบนี้แหละหนึ่งมันสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเรานะ เ, เมื่อมีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่น เ, เจอปัญหาก็ต้องอดทนเห็นไม้มเขาอยู่โรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อจะได้ซ้อมกีฬาทุกวันแล้วห้องนอนเขาเป็นยังไงผมกูว่าห้องนอนพวกเราดีกว่าเขาด้วยเห็นไหม เ, เขายังมี ความใ่ดีเพื่อจะช่วยโรงเรียนก็คือว่ามาออกแสดงโชว์เพื่อหาวุฒประมาณไปซ่อมห้องนี่คือเด็กที่มีความกระตันอยู่แล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความขยันอันสุดท้ายสำคัญคือมีความใ่เรียนรู้เห็นไหมรู้ดนตี <c oughs> ก็เล่นมันจริงจริงเตะตะก้อก็เตะจริงจริงเห็นไหมตีวอลเล่บอลก็ตีจริงๆ แต่พวกเรามีแต่ส่วนมากก็เล่นเล่นเล่นใช่ไหมเล่นจริงๆเรียนอย่างมีความรู้เล่นอย่างมีความสุขนะเล่นไปด้วยสุขไปด้วยนะเพราะว่าเราชอบมันอันนี้เราเหมือนชอบมันแต่เล่นปุ๊บเบื่อละฉันไม่เอาละอ้างโน่นอ้างนี่แล้วก็ไปเล่นของใหม่เบื่อไม่เอาอีกแล้วชีวิตเราเป็นอย่างนี้นะยิ่งโลกสมัยใหม่เนี่ย การแข่งขันมันแรงขึ้นถ้าไม่ใช่ของจริงเนี่ยนะมันไม่ใช่พลุกมันพลุกไม่ได้เรื่องพวกนี้มันต้องเริ่มจากเรามุ่งมั่นปฏิบัตินะมีเป้าชัดเจนนะชีวิตเราเนี่ยแก่ขึ้นไปทุกวันนะอย่าปล่อยมันเลื่อนลอยไปนะมันไม่เครียดหรอกถ้าเราพึงพอใจมาเลยยิ่งเหนื่อยยิ่งมีความสุขเห็นไมเพราะเรามีความพึงพอใจนะ นะสิงดีๆพวกเรามีเยอะนะเพรากูก็แนะนําว่าเวลาว่างๆน่ะถ้าจะเสิร์ชหาข้อมูลไหลเสิร์ชหาข้อมูลที่มันสร้างสรรค์ที่มันพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปเสิร์ชเล่นเกมเซิร์ชอะไรก็ไม่รู้นะเออมันไม่มีสาระสําหรับชีวิตนะอันนี้ก็สะดุกสามเรื่องนี้นะคนเตะแลก็ แล้วก็คนวอลเลย์บอลมีโอกาสกระทบไหลทีมชาติคนตีละนาทกระทบไหลคนระดับประเทศเห็นไมเมื่อเขาเป็นจริงๆเนี่ยเขาไม่เกิดประมาดแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเอาแค่พกูเรีกขึ้นมามามาถือไมพูดหน่อยเนี่ยขาก็สั่นละเห็นไหมแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยไม่เราไม่มีประมา เราทําได้ทุกเวลานะอันนี้เขาซ้อมตลอดเขาถึงทําได้ทุกเวลานะเรื่องนี้โกหกกันไม่ได้นะก็ให้กําลังใจทุกคนนะฝึกก็เห็นทางที่พักเนนเขาก็พักกูก็ธรรมดาพักกูเป็นคนรักต้นไม้ที่สุดนะทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่แต่เนื่องจากเอ่อบางทีเราสูญเสียบางอย่างนะเพื่อเด็กๆจะได้บางอย่างนะ ที่พักตรงนั้นน่ะถ้ามันลกเกินไปหรอกมันเป็นที่ซ่อนงูเงี้ยวนะสักวันหนึ่งไม่ใช่เราอยากเหยียบมันไม่ใช่มันอยากกัดเรามันโอกาสเผลอได้เยอะนะป่าบางอย่างก็อย่าไปแตะต้องเขาปล่อยให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ส่วนในนี้ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องอย่าออกนะเอาต้นไม้ที่มันลกออกมาแล้วก็เป็นพื้นที่เราจะละเล่นอะไรก็ได้กีฬาอะไรก็ได้นะก็ เราต้องมีการเคลื่อนไหวนะผ่อนผ่อนคลายความเครียดแต่ในการเคลื่อนไหวนั้นถ้าฝึกด้วยเราได้หลายต่อนะร่างกายก็ได้แข็งแรงทักษะชีวิตก็ได้มากขึ้นนะทุกทุกเรื่องที่ซูเปอร์เทนเข้ามาฉายเนี่ยที่เข้ามาทำให้เราดูเนี่ยของจริงหมดถ้าไม่จริงน่ยทำไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องฟลุก เนะแล้วก็พวกกูจะเล่าอะไรให้ฟังนะอาทิตย์ก่อนก็ไปกรุงเทพไปทำหน้าที่นะก็วันแรกลงจากเครื่องก็น้้ำมูกไหลเลยที่กรุงเทพธรรมชาติของร่างกายเนี่ยนะเขาจะป้องกันเพราะฝุ่นละอองช่วงนี้กรุงเทพถือว่าดีกว่าเก่าเยอะแล้วนะแต่ก็ยังไม่ดีนะ พะกูน้ำมูกไหลเพื่อมันจะป้องกันในฝุ่นละอองนะก็เป็นสี่ห้าวันแล้วก็เลือดก็ออกมาด้วยนะมันอักเสบ <c oughs> แล้วก็ต้องไปบรรยายไปพูดวันแรกก็สี่ชั่วโมงที่ศูนย์นนท์วันที่สองก็8ดชั่วโมงที่ทีอาซีมีโอกาสพักวันหนึ่งตอนนี้นไม่มีเสียงละพักวันหนึ่งพี่นีก็อบตัวให้แล้วก็อะไรมันก็ ออพอกูก็นั่งเดินลมปานเพื่อว่าต้องไปทําหน้าที่อีกสามวันนะก็พอทําหน้าที่วันที่สามเสร็จกลับมาได้พักวันหนึ่งก็ปล่อยให้มันเป็นเลยปล่อยให้มันแสดงอาการตอนนั้นเราเราใช้กรรมาฐานเดินลมปานเพื่อให้มีเสียงพอจะไปทําหน้าที่ได้ถามว่าพอกูต้องการออกไปข้างนอกไหมไม่สองปีแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ต้องออกไป แต่ทีนี้เห็นความตั้งใจจริงของญาติธรรมที่กรุงเทพโดยเฉพาะก่อนปีทักษ์แม้กระทั่งทิยาเอสแล้วก็ศูนน์นน์ก็ปีหนึ่งไม่ได้ไปแต่ตอนนี้กรุงเทพไม่เหมือนเก่าหน่ากลัวมาก <c oughs> นะทีนี้อยู่ไปนานๆร่างกายมันก็ปรับตัวเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แสดงอาการ แต่ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันที่เรารับมนลภาวะเข้าไปเนี่ยมันสะสมต่อไปก็เป็นโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งนะเชียงใหม่เป็นเมืองสวรรค์นในอดีตพอ ก, กู30ปีก่อนมาจากอเมริกาก็ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งที่เชียงใหม่นะตอนนั้นทุกคนก็ขึ้นเหนือตอนนี้เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งบางวันก็เบอร์สองเบอร์สาเบอร์สเบอร์ห้าของโลกซึ่งมลภาวะมากที่สุด เนะมื่อกี้พีปุ๊กก็รายงานว่าญาติที่ทำที่เชียงใหม่บอกว่าตอนนี้อยู่ในบ้านนะก็กาลังจะอยู่ไม่ได้แล้วคือฝุ่นละอองพวกนี้มันละเอียดมากถ้าอยู่ข้างนอกมันร้อยหนึ่งอยู่ในบ้านแม้กระทั่งห้องแอร์มันอยู่ระหวางเจ็ปบเจดแปดบก็เกินค่าของมันแลเนะี่ยชีวิตแบบนี้อันตรายมากผลพวงก็คือว่าเราเผาป่านะปลูกขา้าวโพด เผาต่อสั่งนะแล้วก็ปลูกอ้อยถ้าเราตัดอ้อย ส, สดๆนี่ไปขายโรงงานเขาจะให้ราคาดีแต่ถ้าเราเผาเอาเนี่ยเขาจะให้ราคาไม่ดีแต่เกษต ร, รกรก็เลือกเผาเพราะค่าแรงที่เราจะไปทำลายวัชพืช น, นี่นะถึงจะได้ราคาดีกว่าก็ไม่คุม้มเขาก็เลยเผาตอนนี้เธอก็เผาฉันก็เผาตอนนี้ ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเนี่ยหลายจังหวัดต่างจังหวัดก็เป็นหมดนะก็30ปีก่อนพอจิตพระครูระเบิดปุ๊บพระครูเห็นนะมนุษย์ต่อไปเนี่ยไม่ไม่ใส่ไม่ใช่ใส่ผ้ากันฝุ่นนะต้องแต่งชุดประดานามมีออกซิเจนอยู่ข้างหลังในี่ไปทำงานมันใกล้จะถึงวันนั้นแล้วนะไอ้ผ้านั้นเอาไม่อยู่นะก็เห็นน้ำท่วม เห็นเงินกลายเป็นกระดาษตอนนี้เกิดขึ้นแล้วเวนซสเซลาเนี่ยเงินกลายเป็นกระดาษเ็าทิ้งเกิดเลยเพราะมันซื้ออะไรก็ไม่ได้ไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟใช้นะบ้านเมืองต้องเอาทองคำที่ที่อยู่ในคลังนั่นก็ไปแลกเงินสกุลอื่นแล้วก็ไปซื้ออาหารการกินมายังไม่รู้จะไปยังไงนะเนี่ยทั้งหมดก็คือผลพวงของวัตถุนิยมทุนนิยม คนใหญ่ก็ดึงเข้ามาในตัวเองก็ขนเงินออกไปต่างประเทศคนจนก็ไม่มีจะ ก, กินเห็นไหมส่งเสริมไม่เขาปลูกเขาโพดปลูกอ้อยปลูกอะไรแต่เขาไปกดราคาเขานะถ้ารู้จักแบ่งปันเธอให้เขาได้มากหน่อยหนึ่งเออเขาก็เอารถไปตัดได้เขาก็ตัดบัวฉเพืชได้นี่แหละ ผลพวงของการเอาเปรียบกันมาสุดท้ายเนี่ยคนรวยก็ต้องมาสูญบนภาวะไม่ดีเหมือนกันนี่คือกรรมนะที่มนุษย์เกิดจากความอยากทุกคนมีความอยากนะเรายังไม่ใช่พระอหรหันต์แต่อยากมากเกินไปเด็กก็ทําลายตัวเองลูกหลานตัวเองก็ต้องสูญมนภาวะนะอันนี้ชี้ให้ดูผลพวงที่เราทําลายล้านสิ่งแวดล้อมมามากมายเด็กเรากำลังรับกรรมตรงนั้นนะ พอวันที่กลับมาลงอุบลปุ๊บออกจากเครื่องปุ๊บเนี่ยพกูโล้มหมดเลยมันเห็นชัดเลยว่ามันต่างกันมากนะก็ตรงนี้ศูนย์พกูเตือนมาหลายปีแล้วบอกว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นก็คือไม่ต้องเผาเลยนะใบไม้อะไรอย่าไปเผาตัดกองกองกองไว้มันก็เป็นปุ๋ยหมกักเออเราไปเผาเผาเผาก็เป็นมลภาวะนะ เพิ่มมนพาว่าขึ้นมาในโลกนี้แล้วตัวเองก็สูดเข้าไปนะก็เรื่องนี้ไม่ควรทำนะเออ ก, ก็ให้ทุกคนช่วยดูแลโอเคหมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้นะพี่อมศิลเนี่ยเขาย้ายอัถิของบรมพระบรรุษนะเพื่อจะเอามาลอยอังคารที่กรงเจียมเนี่ย แล้วก็เราก็เลยนิมนต์พระคุณเจ้าก้าลูปนะตอนเช้าแปดโมงทำพิธีใส่บาตรนะแล้วก็รวมพลังกันส่งจิตวิญญาณนะคือบางวิญญาณเขาไปเกิดแล้วล่ะบางวิญญาณยังไปไม่ได้นะเพราะว่ากระแสกรรมนะ เออมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เที่ยงไม่เท่ากันนะก็เรามีหน้าที่อยู่ตรงนี้นะเราก็ทำบุญนะแบ่งส่วนกุศลให้จิตวิญญาณที่เขายัางไม่ไปเนะี่ยแหละให้เขาไปสู่สุคตินะพรุ่งนี้ใครว่างก็เชิญไปที่ฐานพระใหญ่นะแปดโมงเชา้าแล้วก็9ก้าโมง ก็เราตัวแทนเราบางท่านเนี่ยก็ไปที่ของเจียมแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าทั้งสองรูปเดินทางไปด้วยนะอันนี้เป็นวิถีนะศูนสปีพระครูเนี่ยพระครูสัมผัสได้ว่าสถานที่มีพลังแล้วนะเพราะเราบำเพ็ญเพียรมา ปฏิบัติมา30ปิปีไม่มีวันหยุดนะตั้งแต่ศาลาหลังเก่าหลังใหม่แล้วก็ช่างเนี่ยเราบมเป็ น, เ พ, นเพียนมาตลอดคนมากบ้างน้อยบ้างไม่มีวันหยุดเหมือนทางมหายานเอกคนจีนเขาเรียกวันเนียมเต็งเนียมเต็งก็คือว่าเขาต้องจุดเทียนตลอดไม่ให้มีวันดับอันนั้นคือฝึกศรัทธาตั้งมั่นไม่ประมาทนะเขาคือจุดแสงสว่างตลอดนะ อันนั้นถือว่าเป็นอามิตรบูชาอย่างหนึ่งแต่ศูนย์เราปฏิบัติฏ บ, ตบูชามาสามสิบปีตั้งแต่พวกเราไม่อยู่ที่นี่มีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งคนในศูนย์มีกิจกรรมไปข้างนอกหมดเหลือพวกกูอยู่คนเดียวนะพวกกูก็มากางกฎอยู่ในศาลาเนี่ยสามวันนะมั่เป็นเพียรอยู่ในนี้พวกกูจะไม่ปล่อยให้ว่างของเรานี่ปฏิบัติบูชาแล้วตอนนี้ ศูนย์มีพลังนะโดยเฉพาะพลังเรื่องส่งจิตวิญญาณเนี่ยนะโดยสถานที่เองนะไม่ต้องพึ่งพ่อครูละนะโดยสถานที่เนี่ยจิตวิญญาณที่เขาบ่นเพนเพียนนะออแล้วเนี่ยนะเขาก็มาอยู่แถวนี้นะจิตซึ่งเป็นอริยะมาอยู่แถวนี้เปตอสูรลกายก็อยู่แถวนี้นะอยู่ด้วยกันนะ การนี้เราสัมผัสได้อย่างคนอินเดียเนี่ยคนมีสตังหน่อยหนึ่งเขารู้ว่าปั้นปลายชีวิตเนี่ยคงไม่นานเขาจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือโรงแรมแถวแถวข้างแม่น้ำคงคานะซึ่งพา ร, ราณสีนี่เมืองนี้เนี่ยสองพันกว่าปีไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ได้เผาผีเผาศพทุกวันวันหนึ่งหลายศพ นะเรานั่งเรือไปดู น, ะนั้นน่ยกองฟืนเต็มไปหมดเลยนะเป็นเป็นระยะเวลาหลายกิโลนะเผาเผาเผาเผ า, าทีนี้จะเป็นคนศาสนาฮินดูหรือพามหรือว่าอะไรเนี่ยคนอินเดียเนี่ยเขาเขาเชื่อเรื่องพวกนี้เขาศรัท ธ, ธาเรื่องพวกนี้เขาเพิจารณาเรื่องมรณาสตินุสติบ่อยๆเขาเตรียมตัวตายนะ เขาไม่ประมาทและเขาเชื่อว่าตายปุ๊บได้เผาอยู่ตรงนั้นไล่ลอยอังคารอยู่แม่น้ํโคงคาเนี่ยถือว่ามันส่งผลถึงอนาคตตชาติเขานะซึ่งตอนนี้พรุ่งนี้เราจะไปลอยอังคารที่โขงเจียมเนาะตรงนี้ตรงนั้นก็มีพลังแล้วก็โขงเจียมตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนี้เนี่ยทางเหนือเราก็อยู่หนองคายนะหลวงพ่อคูณก็ไปลอยที่ แม่น้ำโขงนะวันที่30เป้าห้องเราลอยวันที่27นะลำน้ำโขงนี่ยาว5 0 0พันกว่ากิโลเมตรต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการละลายของอผู้เขาน้ำแข็งผู้เขาหิมะหิมาไลานะ่ะไหลลงมาแม่น้ำโขงนะและตลอดแม่น้ำโขงเนี่ยข้างล่างเป็นเมืองใต้บาดาล พญานาคบ่มเพนเพียนตลอดนะนะถ้าเราฝึกจิตเราจะเข้าใจตรงนี้ตอนนี้ก็เหมาะกันว่าขงเจียมนี้ก็อยู่ในรัศมีบารมีของศูนย์ด้วยนะพ ก, กูว่าหลวงพวกคูลมาเปิดประเด็นนะนะท่านเขียนพินัยกรรมเลยแล้วต่อไปนี้เนี่ยคนอยู่ในจังหวัดไหนๆก็ช่างเนี่ยนะพอเผาเสร็จเขาก็จะมาลอยที่แม่นำ้ำโขงนะมันจะมากขึ้นอันนี้ มันเกี่ยวกับความเชื่อนะถ้าเราฝึกเรื่องจิตวิญญาณเราจะสัมผัสขึ้นนั้นได้นะอันนี้ก็พูดให้ทุกคนฟังโอเคนะวันนี้พอกูก็ไม่ต้องพูดมากเพราะเสียงยังไม่ค่อยดีคืนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนสุดท้ายนี้ขอขอรัตนาคุณประสีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาล